ตอนเกิดเป็นดังตรินตอนระลึกชาติตอนที่สองสำหรับการระลึกชาติของผมอยู่ตรงกลางระหว่างความงม ง, ง, งายกับวิชาครับเพราะทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความอยากรู้อย่างไม่พร้อมจะรู้และโลกนี้ก็เต็มไปด้วยประตูและสะพาน คนเราผูกใจมุ่งหวังสิ่งใดวันหนึ่งก็ต้องเจอประตูหรือสะพานที่จะพาไปสู่สิ่งนั้นเหมือนคนที่สอดสายสายตาหาอยู่เดินไปเรื่อยๆก็ต้องพบดังเช่นที่ผมอยากให้ใครสักคนบอกว่าตนวเองเป็นใครในอดีตชาติทำไมถึงเกิดมาพร้อมกับความรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกผมก็เจอสะพานเชื่อม กล่าวคือวันหนึ่งคุณครูสอนชีววิทยาชั้นมัธยม4ีเล่าให้ฟังว่าเพิ่งไปหาคนมีญาณมาคนคนนี้สามารถรู้เห็นเรื่องราวต่างๆได้โดยไม่ต้องรู้จักกันมาก่อนผมตื่นเต้นมากและช่างบังเอิญสินี่กระไรบ้านของผู้วิเศษท่านนั้นใกล้บ้านผมแค่คนละฝากถนนผมจึงพบท่านสมใจอย่างง่ายได้ และคำแรกที่ท่านทักทำเอาผมตะลึงจัง ง, งังคือการถามว่าผมเกิดปีแพ้หรือเปล่ากับใครคนหนึ่งที่ไม่เคยเจอกันแต่กลับลวงรู้เกี่ยวกับตัวเราโดยไม่ทันต้องบอกแน่นอนครับผมไม่มีทางอื่นนอกจากเชื่อว่าคนคนนั้นมีญานจริงสมคําร่ำลือ นั่นทำให้ไม่ลังเลรีบถามสิ่งที่อยากรู้ที่สุดในชีวิตช่วงนั้นคือชาติอดีตของผมเป็นมาเป็นไปอย่างไรฉะไหนาชาตินี้จึงรู้สึกขาดขาดเกินเกินมาตลอดท่านช่วยเข้าสมาธิดูให้ ครูหนึ่งท่านก็ลืมตาขึ้นมาตอบว่าขอให้หันมาฝึกปฏิบัติธรรมเถอนะและจะรู้ว่าเรานะเป็นใครหน้าแปลกอะไรบางอย่างในน้ำเสียงหนักแน่นเจอเมตตาของท่านกระชากความรู้สึกของผมให้บังเกิดวูบแห่งความสลดใจอย่างแรงความคิด ุดขึ้นในหัวทันทีว่าเราไม่ได้เป็นใครเลยนะสิถึงไม่มีสิทธิ์จาได้นึกออกไหมครับถ้าเราเป็นใครสักคนหนึ่งจริงๆทำไมถึงไม่รู้ตัวล่ะถ้าเราเป็นใครสักคนหนึ่งจริงๆทำไมถึงเหลือแต่ใครอีกคนที่ไม่รู้จักตัวเองจำตัวเองไม่ได้ ต้องวิ่งโรมาถามคนอื่นอย่างเนี้ยสรุปคือผมไม่ได้คําตอบเรื่องอดีตชาติจากท่านผู้มียานอย่างรู้แต่กลับได้ความสลดใจอย่างแรงมาแทนตราบใดยังไม่หมดกิเลสความโง่แบบเก่าแม้หายไปก็มีความโง่แบบใหม่มาแทนที่หรือบางทีความโง่แบบเก่าอาจหายไปเพียงชั่วคราว ไม่นานมันก็แวะเวียนกลับมาอีกช่วงนั้นผมยังไม่ศึกษาพุทธศาสนาความอยากรู้สารพัดเรื่องจึงไม่สิน้นผมยังคงแวะเวียนไปหาท่านผู้มีญาณอยู่เรื่อยๆประสาชาวโลกที่อยากรู้ชะตากรรมในอนาคตของตนและพอเจอหน้าท่านบ่อยเข้าในที่สุดก็อยากรู้อดิตชาติขึ้นมาใหม่จนได้ จึงเซาซีถามอีกท่านคงเห็นผมอยากรู้ไม่เลิกเสียทีจึงอนุเคราะห์ด้วยการตอบสั้นๆว่าผมเคยบวชพระชื่อก็หล่ๆแบบลูกคนจนทั่วไปประมาณในสุขในสมอะไรเทือกนั้นการฟังคำตอบจากคนที่รู้อะไรจริงๆมันมีกระแสความจริงยิงมากระทบใจเราผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าตัวเองเคยเป็นพระ แต่พอฟังผู้รู้บอกก็รู้สึกวูววบวับๆาประไล่เหมือนความเป็นปัจจุบันนั้นหายไปแวบหนึง่งกลายเป็นใครอีกคนที่แตกตา่างทว่าชั่วครู่แห่งความอึ้งงันนั้นก็ล่องหนอย่างรวดเร็วเฉกเช่นความรู้สึกอันเป็นอุปาทานทั้งหลายกลับมาบ้าน ผมเฝ้าแต่ครุ่นคิดถึงชื่อในอดิตชาติด้วยความรู้สึกกึ่งจริงกึ่งฝันถามตัวเองแล้วแล้วเล่าๆล ว, ว่าเรานเนิ่นหรอเคยเป็นพระขณะครึ่งหลับครึ่งตื่นในคืนหนึ่งผมรู้ตัวว่ากำลังฝันเหมือนรู้ตัวตามปกติว่าเราเป็นใครคนหนึ่งคุ้นเคย ไม่แปลกใจที่กายนุ่งห่มจีวรส่วนใจถูกห่อหุ้มด้วยความเบื่อหน่ายเหนื่อยหน่ายและอยากวิ่งหนีคล้ายคนคลาดหรือคล้ายคนไร้ความรู้สึกไม่อินนางขังขอบกับอะไรอีกแค่อยากทิ้งทุกสิ่งไปให้หมดเท่านั้นผมตื่นขึ้นงงงงทราบว่าฝันไป ทราบว่านั่นไม่ใช่การระลึกชาติแต่ขณะเดียวกันก็ทราบว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นเหมือนนิมิตแสดงให้เข้าใจบางสิ่งเพียงแต่ยังไร้ภาษาอธิบายเป็นคำๆนึกกลัวประสบการณ์ฝันที่ไม่เหมือนฝันนั้นนิดๆย่ยงคนเกรงจะรู้จักตัวเองดีเกินไปและจำต้องยอมรับอะไรที่ไม่น่ายอมรับเพราะตลอดมาผมหาต้นตอของความรู้สึกผิดฝังจิตฝังใจ ไม่ใช่ต้นต่อความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองผมฝันติดๆกันหลายคืนเห็นตัวเองครองจีวรรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็วิ่งหนีการวิ่งหนีทำให้รู้สึกถึงความคลาดความเบื่อหน่ายจุกอกทำให้รู้สึกถึงความอยากจะทิ้งพอคิดถึงนิมิตและความรู้สึกเหล่านั้นยามตื่น ผมก็เหมือนตาสว่างและค่อยๆ ย, ยอมรับอย่างเข้าใจว่าโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตจิตใจ ย, ยืนพื้นอยู่บนการหลบหนีความอยากปัดภาระให้พ้นตัวทั้งที่ภาระยังไม่สิน้นและนั่นก็เป็นที่มาของความรู้สึกผิดอันยากจะอธิบายมาทั้งชีวิตนั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับผมแค่ได้จิกซอชิ้นเล็กๆ มาเพียงสองสาชิ้นเป็นเครื่องหมายบอกเพียงเราๆเป็นเขาเป็นเงาว่าโครงสร้างชีวิตของผมนั้นหากเจาะให้ถึงรากันเป็นที่มาก่อนเกิดก็ต้องเริ่มด้วยนิมิตของพระภิกษุความเบื่อหน่ายการละทิ้งหน้าที่และความรู้สึกผิดจากการหลบหนีมันค่อนข้างกระจัดกระจายเหมือนชิ้นส่วนจิ๊กซอที่อยู่ไกลกันขาดตัวเชื่อไม่เห็นความเกี่ยวข้อง ทราบแต่ว่าถ้าหาชิ้นอื่นๆที่เหลือได้ถึงจะดูรู้เรื่องเป็นรูปใหญ่รูปหนึ่งบทความโดยดังทรินจากนิตยสาราธรรมะใกล้ตัวฉบับที่64 เสียงอ่านโดยโจโฉ